หลวงปู่สงท่านนั่งเป้าหลวงปู่อยู่ตั้งสามชั่วโมงบอกนิมนต์ตะครับแน่นอนแล้วว่างั้นนะเช้ามาก็าถามคนอีกใครจะเดินหน้าเดินหลังเอา้าหลวงปู่สงท่านว่าลบ ก, กุทรธรรมแล้วต้องไปทางหน้าเขาแต่หลวงปู่บุญดาว่าหน้าก็หน้ากุณฑธรรมแต่พรรษาอ่อนต้องเดินหลังสิ ตกลงหลวงปู่เดินตามหลังหลวงพ่อสองเหมือนเดิมภายหลังอีกไม่กี่วันหลวงปู่สงตรมสระชิ้งป่าลบความเพียรอย่างหนักก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมและถ่านภะูขาเช่นกันหลวงปู่สงพรหมสระเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสกเกดแต่ได้มาบวชที่จังหวัดตราจีนบุรีและได้ทุดดวงจาริก ที่แสวงหาโมกะธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งได้พบหลวงปู่ในแถบเทือกเขาภูพานและได้ร่วมทุดงกันจะได้พบถ่ำภูคาที่อำเภอตาคลีเมือก่อนสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนหลวงปู่สงท่านติดตำราติดทุดงสิบสามติดอ่านหนังสือพระพุทธรูปใอยคอหน้าตักตั้งคือใครพูดใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อ ทีู่ปประคาให้คอมาห้าปีถือไม้เท้าติดคำพีใบลานคำพีร์ขดาษถือรูปน้ำพอมารู้สึกตัวก็ไม่ติดหลักแต่เมื่อท่านได้บรุ ธ, ธรรมก็เลิกหมดเลยท่านสลัสิ่งต่างๆที่มีอยู่ออกหมดละทั้งหมดเอาถวายหลวงปู่บุญ ด, ดาหมดหลวงปู่ยังได้เอามาฝากไว้วัดสัมพันธวงศ ไได้ออกไปทิงที่ไหนท่านเสียสลักภายในออกได้ภายนอกท่านก็เสียสลักได้บัดนี้ท่านไม่ถือนามรูปไม่ถือขันอะไรแล้วเพราะท่านว่าหลงนามรูปมันก็หลงเกิดหลงตายไม่มีที่สิ้นสุดอีกสิสร้างพระพุทธเกตแก้จุลามณีเมื่อจวนเขาเ้าพรรษา ท่านทั้งสองได้จำพรรสาร่วมกันที่วัดฝ่าหนองคูแล้วครั้นออกพรรษาต่างองค์ต่างแยกไปประกาศพระสัษธรรมและบางครั้งก็มีโอกาสได้พบกันที่ถ้ำปูคาเปงครั้งคราวจนล่วง ม, มาประมาณสี่สิบปีเมื่อท่านทั้งสองได้พบกันก็ได้ชวนคณะศิษย์ที่ศรัท ธ, ธาเลื่อมใสมีท่านพระครูพลอยไม่ขีผวน และพระเงินเป็นอธิร่วมกันสร้างพระพุทธปฏิมากรซึ่งจำลองพุทธลักษณะมาจากพระเกศแก้วจุลามณีผนสวรรค์ชั้นดาวดึงขนาดบากว้าง6วา2ศอกสูง9วาสร้างแบบครึ่งองค์ปริษฐานะยอดเขาภูคาเพื่อเป็นอนิสาวรีทัศานานุตริยะ ปูชนียะสัตฐานของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเป็นอนุสอนที่ท่านทั้งสองได้พำนักอาศัยบำเพ็ญบุญบารามีจนได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าพระบรมศา ส, สดาเอกของโลกพระทาตเจดในถ้าภูคา ด้วยว่ามีพระสุปฏิปนโนพระอริยสงฆ์ในอดีตได้เคยมาปฏิบัติธรรมในถ้ำปูคามาปัจจุบันหลวงปู่บุตรดาทาวโรและหลวงพ่อสงฆ์พรมสละก็ได้มาปฏิบัติภาวนาจนบรรลุธรรมอันสูงสุดณที่นี้ซึ่งในบางคราวขณะที่หลวงปู่บุตรดาอยู่ปฏิบัติธรรมในถ้ำปูกคา ก็ได้เห็นพระพิสุทสงฆ์ออกมาเดินกันเต็มถ้ำแต่ไม่มีรอยเท้าและไม่พูดด้วยพระกรรมฐานองค์อื่นที่เกิดใักท่านก็ได้เห็นพระธาตุเจดเป็นพิสุนีก็มีและยังมีพวกวิญญาณเจ้าของทรัพย์อีกมากมายและหลวงปู่ทั้งสองอยังคคอได้เห็นพระธาตุเจดมาสามองค์ซึ่งหลวงปู่ได้ ห, หลวงพ่อสงเก็บไว้ ได้ถานพระพุทธรูปและต่อมาหลวงพ่อสงฆ์ได้มอบพระพุทธรูปนั้นแก่พระหลานชายของท่านขณะไปเจริญกรรมฐานในป่าต่อมาไม่นานพระหลานชายได้มรณภาพด้วยไข้ป่าพระพุทธรูปนั้นก็หายไปด้วยไม่ทราบว่าใครเก็บเอาไว้หลวงปู่บอกว่าธรรมชาติเก็บเองแหละ และก็ทังปูคานี้เป็นสถานที่อันมีคุณยิ่งที่หลวงปู่บุตรดาถาวโรและหลวงพ่อสง์พรมสระได้บรรลุธรรมนำตนให้ออกจากวังวนแห่งวัฏสงสารได้สำเร็จเยื่อมหลวงพ่อสง์ต้องอธิกรหลวงปู่บุตรดาแยกทางกับหลวงพ่อสง์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,470 จนมาถึงปีพุทธศักราช 2,475 เรื่อร่วมทางกันอีกโดยออกเดินทางไปชนบุรีและจากนั้นหลวงพ่อสงฆ์ก็แยกทางไปเขาพนมปราจีนบุรีโดยทาที่พักในถ้ำตามลำพังชาวบ้านก็สงสัยว่าท่านเป็นพระมาจากไหนหลวงปู่ว่า ตอนอยู่นครพนมโน่นนะเจ้าคณะบวชเอาเองให้เข้าหมู่หลวงพ่อสงไม่เอาถามหาใบสุธีไม่มีหลวงพ่อสงไม่ได้รับกับเขาเขากล่าวหาหลวงพ่อสงว่าไม่มีใบสุธีเป็นพระจอนจัดเข้ามาอยู่ในวัดเขาไม่ได้รับใบสุธีอย่างเขาใบสุธีเดิมของท่านใส่ใบลานท่านไม่ได้ทาเป็นสมุดเล่มหรอก คนลงปลูกเขียนเศษกระดาษใบเดียวม้วนไว้ในาย่ามไปอยู่เมืองเพชรพันศาหกที่ได้ใบสุทธิเป็นเล่มพันษาห้าไม่มือใบสุทธิเป็นเล่มพันษาแปดไปอยู่ในรันชลาก็ยังไม่ได้รับใบสุทธิใบสุธิใบลานก็ยังใช้กันอยู่พันษาแปดนี่คณะสงปีเดียวกับทิกครบาศรีวิชัยทุกอธิกรไม่ได้รับใบสุทธิ ท่านบุดพระเนนไว้ตั้งหนึ่งรอรูปเขาเรียกมารับใบสุทธิเป็นเล่มท่านไม่รับจึงเกิดอธิกรณ์หลวงพ่อสงฆ์ไปอยู่แหลมเขาพนมปราจินบุรีก็เรื่องใบสุทธิผู้บาสิวิ ช, ชัยก็เรื่องใบสุธินี้ส่วนหลวงปู่ไม่ได้ถูกอธิกรณ์กับเขาเป็นเพียงผู้ดูท่าทางของคณะรัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยจะไปแค่ไหนกันหลวงปู่ ไม่เข้าใครออกใครครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงจุดธรรมมนตรีกิมไลจุดจริตกุลมารดาของพระจริตสุดาและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สีในพระบาทสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าเจ้า ก, การที่หกได้นิมนต์หลวงปู่จังปรรษาะวะสัมพันธวงศ์ ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนั้นได้รู้จักกับพระอาจารย์เหล็งที่วัดสัมพันธวงศ์พระอาจารย์เหล็งเตี่มยมใส่ศรัทธาลวงปู่มากจึงขอรัฐนาหลวงปู่ไปโปรดญาติโยมของพระอาจารย์เหล็งที่เมืองเพชรก่อยสักระยะหนึ่งค่อยกลับมาจําพรรษาที่วัดสัมพันธวงศ์ขณะเดินทางไปเพชรบุรีเป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปก ค, ครอง วันที่24ินิทุนายน 2,475 เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบหลวงปู่บุญดาและพระอา จ, จารย์เหลงที่ได้จัาพรรษาที่เพชรบุรีและได้มีโอกาสพบท่านพุทธทาซึ่งุ้ดงมาจากสวนโมกและจากนั้นท่านทั้งสองก็ได้พบกันอีกที่วัดปราชาธิวาสกรุงเทพในอีกสองปีต่อมาขณะที่อยู่เพชรบุรี ชาวบ้านศรัท ธ, ธาเคารพรักท่านมากพวกขับรถสามร้อชอบแย่งกันนีมวลท่านให้ขึ้นรถของตัวเองเป็นพิเศษปฏิปทาของหลวงปู่ตามใจโ ย, ยมช่วงหนึ่งที่หลวงปู่จำพรรษาที่วัดบุญทวีถ้ำแกลกเพชรบุรีได้มีการจัดงานศพก็ับพอดีใกล้วัดบุญทวี ซึ่งบุตรทั้งสามของผู้ตายร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้วันงานสวดศพนิมนต์พระขาดไปรูปหนึ่งน้องกดเล็กจึงเป็นนิมนต์ของปู่ที่วัดบุญทวีพอมาถึงท่านก็นั่งอาสนะที่เขาจัดไว้ขณะนั้นเจ้าภาพเกิดเถียงกันเพราะพี่ชายกลกลางก็นิมนต์พระมาเช่นกันคุณน้องปู่ได้ยินจึงลุกออกมา แต่แล้วก็ตกลงจัดอาสนะเพิ่มหลวงปู่ก็เข้าไปใหม่ครั้นที่ควรโตกลับมาก็เอตโลใหญ่หลวงปู่ก็รุปจัดอาสนะอีกครั้งและเดินผ่านที่ตั้งศพจนเกือบถึงประตูทางออกแล้วเจา้าภาพเพิ่งจะตกลงกันได้จึงรีบวิ่งตามไปนิมนต์ให้หลวงปู่กลับมานั่งอาสนะเดิมโดยหลวงปู่ ไม่ได้แสดงกริยาอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านบอกว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ท่านทำอะไรไม่ขัดข้องวุ่นวายใดๆทุกอย่างทั้งสิ้นด้วยจิตของท่านหมดอสวะกิเลสแล้วไม่ยินดียินร้ายในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนพระอาจารย์เหลงผู้ศรัทธามัน่นในปฏิปัฏฐาของพระคุณหลวงปู่ ก็เลยรวมติดตามหลวงปูจ่จับบรรษาที่วัดบุญทวีท่าแกลและก็ได้ถึงแก่บรณัภาคที่วัดนี้เองพครูบาศรีวิชัยในบรรษาที่แปนหลวงปูจ่จําปรษาที่วัดเหนือวนราชบุรีจากนั้นปีพุทธศักราช2476เป็นบรรษาที่สิบคณะสิทิโยมกรุงเทพ นิมนหลวงปู่มาจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสเพื่อปรดโยมกรุงเทพอันเป็นปีเดียวกับท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทยต้องอธิกรซึ่งเขานิมนต์มาสอบสวนไปสุทธิที่วัดเบญจมะบพิธุนุปูราข่าวจึงไปเยี่ยมท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดเบญจมบพิธถึงแม้ครูบา จะสู้ผอมแต่แววตาเปลี่ยนด้วยเมตตาจิตขณะพูดคุยกันอยู่ครูบาศีวิชัยเห็นหลวงปู่ไม่พลาดสังคาติจึงร้องทักอย่างเมตตาว่าเราเป็นนายร้อยก็ต้องให้เขารู้ว่าเป็นนายร้อยไม่ใช่นายสิบคือจะเป็นพระหรือเนนก็ดูกันได้ที่สังคาตินี้เองหลวงปู่จึงกราบขอบพระคุณ ท่านครูบาศรีวิชัยที่ได้เมตตาถักทวงด้วยความปรารถนาดีเป็นอย่างสูงจากนั้นมาหลวงปู่จะพาจังคาติอยู่เสมอและท่านครูบาศรีวิชัยยังเมตตาแล้ถวายคนโทน้ำที่ท่านใช้อยู่ให้หลวงปู่ลูกหนึ่งซึ่งคนโทลูกนั้นก็ยังคงอยู่ที่วัดราชาธิวาสเวลาออกวรรษาหลวงปู่ก็จากไป โดยมีเตียงผ้าสามผืนและร่มเท่านั้นถ้าออกป่าก็จะมีการน้ำอีกลูกหนึ่งอันเป็นชีวิตสมถกของพระผู้ปฏิบัติดีโดยแท้เผ่าโยมแม่พันศาสิโยมผู้หญิงอายุเจ็ดสิบกว่าไม่สบายหลวงปู่พามารักษาที่วัดก็ไม่หายและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลวงปู่ ทีได้จัดการเผาให้ส่วนโยมผู้ชาย80กว่าตายในบ้านตายแล้วก็เอาศพไปทำที่วัดโยมผู้ชายที่ได้บวชสองพรรษาไปโยมอุปถัมภ์วัดเดินยาวขอเอาไปบวชโยมผู้หญิง90กว่าโยมผู้ชาย80กว่าต่างก็ตายหมดหลวงปู่รับภาระเผาให้หมดอุปชามภก็เผาแล้ว ธรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์ก็เผาไปแล้วท่านพุทธทาสนิมนต์ไปสวนโมกระหว่างที่หลวงปู่จำปรรษาที่วัดราชาธิวาสนั้นท่านพุทธทาสภิกุนักปรานเอกของไทยได้ไปกราบเยี่ยมและสนทนาวิสาสะเป็นที่ถูกใจต้องอัธยาศัยกัน แต่ธรรมทัศนะต่างๆท่านพุทธทาสจึงนิมนต์ให้หลวงปู่จำภรรษาที่สวนโมกหลวงปูต่ตอบว่าอย่าให้ท่านเป็นผู้ทำลายแบบแผนที่วางไว้เลยจากเหตุการคราวนี้ทำให้ท่านพุทธทาสแก้ไตระเบียบ ว, ว่าผู้ที่จะเข้าพำนักในสำนักของท่านต้องเป็นป ร, รียนหรือนักธรรมเอกแต่มีข้อยกเว้นว่า หากไม่มีประโยคประธาน ใ, นใดๆต้องผ่านการทดสอบจากท่านก่อนหลวงปู่เคยไปเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกหลายครั้งบางครั้งก็พักค้างคืนครั้งหลังสุดเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาปี2533ไม่เดินข้ามสุนัขครั้งหนึ่งหลวงปู่จำพรรษาที่ระยอง วันหนึ่งท่านมีกิจธุระต้องเดินไปกุติอีกหลังหนึ่งซึ่งต้องเดินข้ามสะพานไม้แต่บนสะพานนั้นมีสุนัขนอนขวางอยู่ท่านก็ไม่ข้ามรับเดินลงไปหรือโคนข้างล่างท่านว่าไม่อยากให้ผู้อื่นได้รับความขุนเคืองใจได้เป็นการเบียดเบียนโดยเห็นแก่ความสะดวกของตอนเองแม้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานก็ตาม แต่มันก็มีจิตใจชอบไม่ชอบเช่นกันจ่งไม่ควรประมาทหน้าตัวโกรธเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งหลวงปู่รับนิ ม, มนต์เทพ ค, คู่กับท่านเจ้าคุณแต่ประโยคท่านเจ้าคุณถามหลวงปู่ว่าจะเทศเรื่องอะไรหลวงปู่ว่าจะเทศเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหา ท่านเจ้าคุณถามว่าหน้าตูวโกรธเป็นอย่างไรหลวงปู่ว่าหน้าตูวโกรธเหมือนหน้าส้นตีนไงละ่ะเท่านั้นแหละท่านเจ้าคุณโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงและไม่ยอมเทศ ร, ร่วมกับหลวงปูหลวงปู่ท่านต้องเทศองค์เดียวจนจบและหลวงปู่ก็ไปกราบขอขมาท่านเจ้าคุณและได้อธิบายให้เจ้าคุณเข้าใจว่าตัวโกรธ มันเป็นอย่างนี้เองนะมันหน้าแดงๆนี่แหละมันเทศไม่ได้ขอบแข็งตัวโกรธสู้เขาไม่ได้ขึ้นทารร ม, มาก็แพ้เขาหลวงปู่ว่านี่ใครจะเป็นนักเทศต่อไปจำไว้นะตัวโกรธหนะักนักเทศไปขัดคอกันเองมันจะเอาคอไปเขาขัดเขาก็ ข, าขัดได้น่ะสิแต่ก่อนนี้ หลวงปู่บวช ใ, ใหมุ่ลาโกรธหลวงปู่จะลุกขึ้นกราบพระสามครั้งถ้าโกรธสองครั้งก็กราบพระหกครั้งโกรธร้อยครั้งก็กราบสามร้อยครั้งท่านทําอย่างนี้เป็นการน้อมใจเข้าหาธรรมะทําจนกว่าโกรธจะหายโกรธตรงไหนกราบตรงนั้นตรงหน้าพระพุทธรูปนั่นแหละท่านว่าตัวโกรธ ลกลัวกนกลาบพระเก่งนะพบพระศา ธ, ธรรมนิกรคราวหนึ่งหลวงปู่ได้พบหลวงพ่อสดจันทสโรแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพโดยบังเอิญณนะวัดพระเท่นจิรอาจอุตรดิ์ต่างสนทนาคำกันและร่วมทำวัดจวดมนพร้อมกับหลวงพ่อเกลียงกิติธรรมโม แห่งวัดอินหักใหญ่ลบบุรีจึงร่มทุ ด, ดงด้วยและได้ชวนกันจาริกพระธาตุอยสุเทพโดยทุ ด, ดงไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นหลมเดือนจึงถึงจุดหมายได้ลุงปู่ได้อธิษฐานอดอาหารสิบห้าวันให้อิรยาบทนั่งกับยืนพอครบสิบห้าวันลุงปู่เป็นลมเลยหลวงพ่อสดกับหลุงพ่อเกลียงและคณะญาติโยม พาหลวงปูมาพักรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่เมื่อสุขภาพดีขึ้นต่างก็แยกทางกันตามอัธยาศัยซึ่งปู่ชอบผูด้ดงองเดียวพบท่านเจ้ากุฎอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์เจิจันโทวัดบรมนิวาสหลวงปู่ยกย่องในความกล้าหาญ เ, เด็ดเดี่ยวมั่นคงในพระธรรม ท่านเก่งในการเทศเป็นยิ่งนักจากกรุงเทพดังถึงอุบลถึงอีสานจนถึงเชียงใหม่ส่วนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมบหลวงพระิรยานวงศ์อุปัชชาพระเจ้าแผ่นดินท่านเคยให้เนร เ, เอารถมารับหลวงปู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ไปถึงท่านก็ถามว่าปฏิบัติยังไง ก็ศีลห้านะศีลห้าไปได้ยังไงละ่ะก็ศีลห้าสมุทเฉดศีลยิ่งชีวิตศีลห้าไม่ต้องสมาทานศีลห้าโลกุตละแหละเป็นสมุทเฉดทุกองศีลห้ายังสมาทานอยู่สมาทานทีไรก็บินหนีทุกทีแหลศีลห้ามีปีกศีลบินหนีเหมือนนกสีนนกกระจอกหนี สิโลกุตระไม่หนีหรอนี่แหละคนมาวัดมันมาด้วยศีลบารมีนํามาศีลกัะเกณงให้มาไม่กัะเกณฑ์ให้มามันไม่มาหรอกมันดื้อศีลบารมีนํามาได้ภิกษุสัมมเณนก็มาด้วยศีลบารมีอุบาสกอุบาสิกาก็ผู้หญิงผู้ชายนี่เองอุบาสิกาไม่ได้บวชบวช ด, ด้วยศีลห้าก็บวชได้ บวชได้ทุกวันสินแปดก็ได้สินอุโบสถก็ได้ถ้าศรัทธาแก่กล้าบวชด้วยสินสิทธก็ได้ก็ม่ยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโพตถพะธรรมารมก็จวนไปนิพพานอยู่แล้วสินที่ไปนิพพานไม่ใช่สินมากหรอกสินห้าบ้านสินแปดบ้านสินอุโบสถบ้านศินสิบบ้าน อย่างมากนะให้ศีลสอง2้ิของพระผู้ชายนั้นกรณีแวดล้อมพระผู้เถิดเจ้าบัญญัติขึ้นตามสิขาบทตามเหตุตามผลท่านบัญญัติไว้พระผู้หญิงนศีลสสิน3อ1ดพระเจ้าแม่นาท่านก็เป็นผู้นำรับไว้หมดทรงสิขาบทและพระเจ้าแม่นาพระเจ้าแม่นา รับได้วกห้าร้อก็รับตามศินไปนิพพานได้คือสินห้าลินแปิอุโบสถศินสิบเท่านั้นแหละโลกุตตรศินไม่ได้เอามากกรอกไม่ได้เอาศินสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรหรอกศินบารมีถึงสินขันธรรมขันกำลังเข้านิพพานแล้วสู่นิพพานหมดแล้ว เลแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นรูปปรมาตหลวงปู่เคยไปประชุมที่ตำหนักเพชรตอนกลางวันไปเยี่ยมที่กุฏินั่นแหละติดประตูไว้ไม่ใครเข้าไปคุยกันสององค์หลวงตาต่อหลวงตาก็แล้วกันท่านบอกว่าท่านบุตรามีพร้อมแล้วไอเรามาติดอยู่ที่ติดที่นอน ไอ้เขาไม่ติดที่นอนเพราะออกพรรษาก็าไปเหมือนนกกระจอกไม่ติดที่อยู่นี่ท่านเจ้าคุณนรรัฐราชมานิตท่านเก่งทางพระไตรปิฎกท่านเรียนสติปัฏฐานท่านดูกฎหมายกับพระไตรปิฎกมันลงกันได้พบกันในโบสถ์วัดเทพศิรินในปี2475ท่านลาบวชถวายพระเพลิง พระเดจพระคุณรัชกาลที่หกมีบุญคุณมากบวชเจ็ดวันแล้วยังอยากอยู่อีกจนตลอดชีวิตแม้ร่างกายตายแล้วแต่ทำท่านไม่ตายท่านเจ้าคุณมหารัชมังคลาจารอดิตเจ้าอาวาสวัมพันธวงศ์เคยปักตรปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่ระยองมีความคุ้นเคย ทุกอัธยาศัยกับหลวงปู่มากท่านพระครูวิหารกิจจานุการปานพัดบางหนงโคพบกันกับหลวงปู่บ่อยที่เขาวงพระจันทร์สมัยที่หลวงพ่อปานสร้างวัดสะพานนาพระอาจารย์มั่นปุริทธโตท่านมีอายุมากกว่าหลวงปู่รุ่นเดียว ก, กันกับเจ้าคุณอุบาลีท่านเป็นพระราชา ในป่ามีลูกศิษย์มากลุงปู่เจอท่านครั้งเดียวที่วสัตว์ประทุมกรุงเทพลุงปู่พระสุภมยานเทระวัดถ้ำพระพุทธบาทตาก้าออำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนลุงปู่มีความเคารพรักเป็นอย่างยิ่งและนับถือพระสุภมยานเทระว่าเป็นพี่ชายของลุงปู่ลุงปู่สิมพุทธาจาโรโ ว่าท้ำผาปรองอเภอเชียงดาวจังหวดเชียงใหม่ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่อยู่บ่อยๆด้วยความปิติรื่นเริงในอมะตะธรรมหลวงพ่อสังวานเขมโกวะชุ่งสามขีธรรมอเภอสามชุกจัังหวสุพรรณบุรีหลวงปู่ว่าท่านสังวานมีศรัทธาแหลงกล้าเอาจิงพ้นได้แน่ ถ้าไม่เลือกลงจากก่อน